นวกนขอเจริญพรท่านกู้ซึ่งใจและจะปฏิบัติธรรมตามแนวคำสอนขององค์ตมเถรปช ม, มามเถกเจาก้าโดยที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเรยรวันคนแก่นเราไปตั้งไว้เพื่อ บริการประชาชนชาวโลกโคนเทศตะกองทุกนานาประการไม่เคยไปตั้งไหว้ไล่ความหมายเวฬวันมีชื่อมาตั้งแต่สมัยพระพระเจา้าเรียกว่าศูนย์สวนเวฬวันป่าไม่ไผ่พระองค์ไปแสดงธรรมณสถานที่นั้นเราจึงตั้งให้เหมาะสม อย่ดอเตอราลำไยถวายไว้มีไม้ไผ่ตรงถึงหลายร้อยกอเหมาะสมที่เราจะตั้งคิดมานานตั้งแต่ไปเจอหลวงพ่อในป่าขอนแก่นแม่น้ำพอง <c oughs> เราคิดมานานถ้าได้ที่สถานที่นั้นจะตั้งชื่อว่าสวนเวรุวันป่าไม้ผา กรงเป้าหมายที่เราตั้งใจมานานคือสวนของดออรลำใหญ่อาจารย์เทววณควรจะตั้งวัคะไรคิดมาตั้งนานแล้วตั้งแต่เดินทุ ด, ดงค์กัลงพอ่อดำในป่าคงจะเป็นสวนเวลวันต้องมีไม้ไผ่ไผ่มีหลายชนิดเรียกว่าตระกูลไม้ไผ่ ก็ได้ความออกมาชัดเจนในวันนั้นและมาปัจจุบันขึ้นวันนี้จะไม่ขอกล่าวสตนทั้งหลายตั้งใจมาปฏิบัติเราต้องเพื่อการจะไปสอนเป็นผู้นำที่ดีเป็นครูตัวเองเป็นสัญลักษณ์ของความดียานวิถีคือปัญญาหลอบรู้ในกองกลางทั้งขานเราจะได้อ่านตัวออก จะได้บอกตัวได้จะได้ใช้ตัวเป็นเราจะได้เห็นตัวตายจะได้คลายชีิจะได้จะมีชอบเราจะได้ประกอบผูษษษ้สอนท่านจะได้พลนนานเป็นหลักฐานนักพันนั่นแหละท่านจะเป็นผู้สั่งสอนได้แต่ท่านในข้าหลักนี้ท่านจะเป็นผู้นําที่ดีไม่ได้ไม่ขลังไม่ผูกสมพันธ์โดยมนุษย์สัมพันในชีวิตของท่านทั้งหลายเหล่านั้นไม่น่าเลื่อมใส หล่อหลอมจิตใจให้เป็นที่ศรัทธาและเลื่อมใสขาในตูดมงหมายพงไประชาชนคนทั้งหลกหล่อหลอมแปลว่าทาจิตใจให้ชะอาดศินวิสุทธิจิตวิสุทธิปัญญาวิสุทธิได้มาหลาวจะเป็นผู้หล่อหลอมน้ำใจของคนอื่นได้ฉันนั้น จะเป็นตัวอย่างที่ดีของประชาชนเป็นการแนะนำที่ถูกต้องตามคอลงของชีวิตล้วนั่นอัจจะคลั้งมากเราจะดูพุทธประวัติพระพุทธเจ้ า, าองค์ซ้อนขณะชิงชะตาองค์คริมานโจรเป็นวิสัยพระพุทธเจ้าองค์เดียวองค์อื่นสอนไม่ได้ต้องโดนฆ่าตายเนี่เห็นชัดนางวิสาขา มหาบัญกาเป็นวิสาหกุธเจ้าคนหนึ่งส อ, อนไม่ได้งางปตาจลาเป็นวิสัยผู้เจ้าองเดียวภาษาริบุตรโมคลาพระนนสอนไม่ได้โหลททำความเข้าใจนี่ก่อนมือนงั้เราจะไปสอนใครได้อย่างไรบารมีพอหรือไม่จุดมุ่งหมายอันนั้นถ้าเราบารมีไม่พอเนะี่ย คำสอนไายความหมายคนที่เขามีบา ร, รมีมากนะเราจะสอนคนบา ร, รมีมากเสยจะยากยกตัวอย่างให้เห็นเหมือนคนจนไม่มีสตางค์จะไปแนะนำคนมีเงินเป็นพันล้านก็ยากเราใส่ท้อซ้อยก็ซ้อยแกโจน แหวนก็แหวนแหวนเพชรแก่เพราะไม่มีสตังค์จะซื้อเราจะไปพูดอะไรมันจะขลังได้อย่างไงมันจะไม่ขลังเลยโบราณท่านว่าไวา้มีเงินก็หว่าน้องมีทองกู้พี่เราไม่มีเงินมีทองพี่น้องก็ไม่มีเราต้องมีมีทรัพย์มีชื่อเสียงสร้างความรักไว้ในใจให้มันมากมายเท่าที่จะควร ถึงจะสะดวกสบายจะแนะนําใครเขาก็เชื่อถือพิโยเทอนุชานังจะลาวไปไหนไม่มีใครชอบเลยไปพูดเขาจะเชื่อไหมขอถามท่านผู้จะไปแนะนําไม่มีใครชอบท่านเลยท่านจะไปพูดเขาจะเชื่อไหมหลอล้อมจิตใจของเราให้หลอล้อมไปด้วยทองคํา แหลมลึลกไปด้วยเพชรนิจินดาในจิตใจของท่านด้วยสาจาัจจะเมตตาสามัคคีมีวินัยแล้วนั้นเปโยเทวันุสารนางเป็นที่รักของเทวดาก่อนเป็นที่รักของมนุษย์ก่อนทําไมเทวดามนุษย์มารักเพราะเป็นที่รักของเขาเปโยแปลว่าเป็นที่รั ก, เ, เ, เ, กเราทํำยังไงเราจะเป็นที่รักของเขาได้ความหมายอยู่ตรงนั้น เราเนี่ยไปทําอะไรไม่มีใครเขารักเราเลยเนี่ยไม่มีใครเขาชอบเราเลยเนี่ยเราจะอมทองไปกี่ร้อยกิโลเขาก็เชือ่อทันไม่ได้อมทองไปพูดเขาจะเชื่อไหมถ้าท่านไล่คุณราชบัตรไม่มีคุณธรรมไล้คุณภาพแล้วเราจะหมดโอกาสจะไปสองเขานดไม่เป็นที่น้ารักไม่ไปที่น่าเลื่อมสายไม่เป็นที่เขาลบ ไม่ไปที่บูชาคงประชาชนไหนเลยอยไรใครเขาจะเชื่อท่านตรงนี้ขอฝากไว้กับศูนย์ปฏิบัติธรรมพวกเราไม่มีใครรู้จักไม่มีใครชอบแล้วท่านจะไปพูดใครเ็าจะเชื่อท่านแต่เขาชอบท่านแล้วรักท่านแล้วดีแล้วถูกต้องแล้วไม่ต้องอมทองไปเลยเพียงยักหน้าเขาก็เชื่อแล้ว ชี้นกต่อเป็นนกชี้ไม้ต่อเป็นน้าไม้เรายังชี้นกชี้ไม้ไม่ได้แล้วเราจะองมทองไปหรือเขาจะเชื่อถือเราอมทองไปเท่าไยเขาก็าเชื่อถือท่านไม่ได้รอตีความให้เข้าใจเข้ามาหาตัวเองถึงจะขลังศักษาความในใจเราไม่มีเลยในความจริง เราจะไปพูดให้เขาดีเนี่ยมันทำไม่ได้จะ้ายชาละมากจะไม่เกิดประโยชน์ผลดผลแต่ประการได้ขอออกไตเติ้นให้สนฝายต่างแต่สวนศูนย์ปฏิบัติธรรมศูนย์เวลาวันแห่งไม่ไผ่ตรงมาก่อนนี้มีคนรู้จักไหมเนี่ยไม่มีใครรูจ้จักยังไม่มีคุณภาพเท่าที่คราอมีคุณภาพเขาบางคนก็หลังไหลไปเองใช่ไหม ไปคนเท่าเดี๋ยวก็ไปสองไปสองเดี๋ยวก็ไปสามไปสามไปสี่ไปห้าจนบัตรนี้จนไม่มีที่แล้วนี่ตรงนี้ตระจมุ่งหมายอันนั้นขอฝากท่านไปคิดด้วยความซึ่งใจด้วยพอท่านไม่คิดมันก็ลายความหมายคนเราไม่มีสติปัญญาที่จะคิดเมื่อก่อนมีใครรูจ้จักอ่ะไปตลาดขนแกนในจังหวัดถามว่าไปศูนย์ ปฏิบาติธรรมววารู้จักไม่ไม่รู้จักไม่ไม่เคยอยู่ที่ไหนบัตรนี้ไม่ต่อแค่เด็กมันก็รู้จักพระเดชจึงรู้จักก็อไปกันมากมายจนปากตอปากก็พากันไปหลายบ้านหลายหมู่หลายเมืองหลายอำเภอหลายจังหวัดก็เข้าไป แลพาะที่สนใจปฏิบัติธรรมก็รู้จักคนที่ไม่สนใจก็เดินสวนทางไปไม่รู้จักเช่นอยู่กันขอฝากพี่น้องผู้ปฏิบัติธรรมไว้ด้วยนี่แหละเราจะไปแนะนําพร่ำสอนใครก็าตามต่อมาเป็นครูที่แน่นอนโดยไม่มีวิญญาณครูสอนตัวเองก่อนสอนตัวเองได้ดีมีปัญญาแล้วซึ้งใจแล้วคล่องใจว่องไว รวดเร็วทันใจถูกต้องเป็นธรรมใจก็ซื่อมือก็สะอาดทำาไไ้เสียขาดเฉียบขาด เ, เป็นธรรมถ้า ส, สอนคนอื่นได้ง่ายขึ้นทำอะไรใจก็ไม่ซื่อใจสศ ก, กปลกลามกอยู่ในจิตพิษสมัยอยู่ในใจแล้วนั้นใจไม่ผ่องแผ้วไม่ผูกพันใจไม่รักความดีท่านจะไปช่าความดีให้กับใครได้แล้ว หมดโอกาสที่วสร้างความดีของใดเลยใครก็จะมานับหน้าถือตามันไม่ใช่เงินตรามีเงินเป็นพันล้านเดจะไปสอนคนอื่นได้ไม่ต้องมีเงินมีทองแต่สมบัติพัฒฐานอันใดแต่มีคุณสมบัติพล้อมมูลบริบูรณ์ด้วยทรัพย์อริยทรัพย์ ถ้าชื่อเสียงความรักขึ้นมาในตัวเป็นยี่ห้อดีเหมือนล้านโต๊ะกังเส้นเส้นเฮ้งเสนมีชื่อแล้วอันะี้มีชื่อเสียงซะแล้วอะไรก็ดีหมดอะไรดีหมดถ้าไม่มีชื่อเสียงไม่มีความรักไม่มีแม่ตากับใครชื่อเสียงหมดไปความรักไม่มาแทนที่ ไหนเลือจะสร้างความดีต่อไปได้จะหมดโอกาสเวลาสำคัญทุกท่านจะขาดทุนอย่างหน้าชิดได้ลาลงทุนได้กําไรมากศูนย์นี่ลงทุนห้าได้สิบลงทุนสิบได้ร้อยเพราะอันยนโส์แปลผลงานหลังไหลามาในศูนย์จนไม่มีเวลาว่าแล้วนั้นท่านคงจะเข้าใจถ้าไม่มีผลงานไม่มีอันยโสดังที่กล่าวแล้ว จะลังไสมาทําไมเพื่ออะไรกันนี้เพราะคนเราเขาก็รู้กันหมดแนละ้วในบแบบนี้เขามีวิชาความรู้ทั้งเด็กอมมือมันก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรมันก็มีความหมายอย่างที่กล่าวมาแล้วทุกประการขอฝากท่านทั้งหลายไว้ในวันนี้วันนี้จะย้อนยุคสมัยพุทธกาลนี้ต่างๆว่าการปฏิบัติธรรมมีประโยชน์อันใดสมัยพุทธกาลกับสมัยนี้ต่างกันอย่างไรสองพันกว่าปีแล้วยังใช้ดีอย่างไร คนสมัยพู้จการมั่นคงในธรรมคนเดี๋ยวนี้มั่นคงในเงินทองมั่นคงในด้านวิชาการแต่ความดีไม่มั่นคงความดีหละหลวมเลอะแอะเลี้ยวห ล, ห ล, ล, ล, ลเอาจากวิชาการมาเป็นวิทยากรเอามาสั่งสอนด้วยวิทยากรและพิธีกรสมัยพุ้จการไม่มีวิทยากรไม่มีพิธีกรเป็นพิธีสําหรับทุกคนต้องช่วยตัวเอง อ้างพึ่งตัวเองได้สอนตัวเองได้ไม่ต้องมีพิจิตรกแต่มาเดี๋ยวนี้คนเรามันมันมากเรื่องมากราวต้องมีงานต้องมีพิธิตรก่อนเอามาแนะนําพิธีต่างๆเรวต้องมีวิทยากรไะจําโรงเรียนไปจํามหาวิทยาลัวยวิทยากรภาควิชาอะไรมากนาหลายตาจนเอือมละอาหมดคือวิทยากร แต่สมัยธธาาพุทธกาลพุทธเจ้าทรงประทชนไม่มีวิทยากรไม่มีพิจิตรจะมีอะไรขอท่านติดตามฟังไปณโอกาสบัดนี้ขอเจริญพรเจริญสุกโดยทั่วกันณนะโอกาสบัดนี้ก <c oughs> ล่าวโบดไปถึงการละทั้งนั้นว่าท่านในฐานะจะไปแนะนำข้ามสอนต้องตอบปัญหาได้ทั้งหมด ถ้าตอบปัญหาไม่ได้ท่านจะไปสอนเขาไม่ได้ต้องรู้ดีกับเขาด้วยต้องเข้าใจด้วยแนะนำได้ด้วยแก้ปัญหาได้ด้วยมสมัยกุตธการนานมาแล้วต่้งแสดงเหตุผลใน ห, หลักศาสนาไว้สองระดับเรียนตามมันดับหนึ่งสองเรียนชั้นโดมีสองระดับ เรียนตามระดับคือเรียนตั้งแต่ต้นจนปลายจบพระดับดุแต่เมื่อสมัยผู้จัดการนั้นเราพุทธเจ้ายังทรงไปชนไม่มีพระทาบิดดกไม่มีพระตาบิดไบดไม่มีสวดมนต์วัดทำวัดเช้าเย็นไหมไม่มีเพราการสวดมนต์ไหว้พระลุกใหม่สมัยนี้ หลังจากปณิพานของพระองค์แล้วพระหรหันต์หมดสิ้นไปหมดแล้วเราก็มาโยโศภากวาแลมึกถึงคุณพระพุทธเจา้าสวาคขาโตและมึกถึงพระธรรมเจ้าอุปฏิปันโนเราลึกถึงพระสังฆเจ้าคือหมู่สงสาวกผู้เราพฤ่งดีปฏิบัติชอบเมืาก่อนในสงสาวกมีห้าหกร้อยเมียเป็นพระหรหันต์หมดขีณาสมหมดเอรีปิคูอุปสัมมัาบวชต่อหน้าพระพุทธเจา้า แต่พระองค์เดียวไม่มีการสวดมนต์ว่าระเหมือนอย่างไม่มีโปรเข้าใจด้วยเดี๋ยวก็ต้องมาต้องสวดมนต์ว้พระผู้พิจ้าก็ต้องสวดด้วยสิผู้เจา้าต้องสวดด้วยใช่ไหมไม่ใช่เราลึกขึงพระรัตนกายแล้วมีตัวพระตาบิดดกไหมตอนพระพุทธเจา้ายังทรงไปทวนแล้มีพระตาบิดดกไหมไม่มีนะ ใช้ภูตกิจห้าประการตามรอยยุคลหรบายของพระองค์นั้นมีเรียนรู้สองระดับเรียนตามระดับขั้นตอนเรียน้งแต่อข้อค อ, ก, อกาเรียนอักษรสัญญาโตรพระบาลีทั้งหลายอย่างนั้นเรียนอะไรเรียนจดเรียนจำไม่ใช่จดมีหนังสือหนังสือไม่มีตัวไม่มีหนังสือ ไม่มีพระตาบิโลกไม่มีหนังสือมาอา่านจดไว้ที่ไหนจดไว้ที่จิต จ, จําวาจิตใจสัญญาแปลว่าความจําได้แก่ขันห้าลูกเวทนาสัญญาสันขานี่แหละสัญญาตัวนี้คือตัวกลางจําจบไว้ในจิตเรียกว่าหนังสือไม่มีตัวออกพุดออกมาจา ก, อกจยอดหัวใจเรียกว่าเรียนตามันดับ พระพุทธเจ้าสอนด้วยวาจา บ, บุพันเหตุปินทปาธัญจักสายัญเหตุธรรมเทชนังพิคขูโอวาทาังตอนว่าข้ามสอบอารมณ์กรรมฐานอัธรตเตชุวปันธนังตีสิบสองแก้ปัญหาเทวดาเทวดามาเข้าฝั่ตีสิบสองยี่สิิกาสมุติแทพะพราชาพระมหากษัตริย์ เข้าเฝ้าพุทธเจ้าทำไมเข้าเฝ้าดึกพุทธเจ้าไม่นอนทำไมพระราชาเข้าเฝ้าตอนดึกมุกอมาฆ่าบริจาเนี่ยเรียกว่าเทวดาสมมติตเทพทำไมมาเข้าเฝ้าดึกขอเจริญพรท่านรัฐมนตีบิละเสร็จกิจก่อนจำไว้เลยนะพระราช ก, กิจยังไม่เสร็จทำอะไรต้องเสร็จก่อน คอยแต่เฝ้าพุทธเจา้าถ้าเราเนี่ยทำในเสร็จแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระนัากรรมฐานตอนเสร็จงานไม่ได้แลลวหน้าตาตีความตรงนี้เป็นปัจจุบันอัลลัคเทเทวปันธังแก้ปัญหาธิวดาพระราชามหากษัตริย์เป็นส ม, มุติเทพในส ม, มุติเทพเข้าฝ้าพุทธเจ้าถามปัญหา ผู้เจ้าไม่เคยยัง่งยินดีทุกเรื่อไม่เคยมีหนังสือแจกกันเดี๋ยนี้แจกหนังสือไปเป็นตากเลยบงบ้า น, นอาจารย์เป็นสีหนังสือที่บ้านเป็นกระตากเลยอ่านจบไหมนะอ่านแล้วก็สมเร็จเป็นพลทหารไหม่ะอ่นานแล้วสมเร็จเป็นพลทหารไหมอ่านเข้ากี่เลือเปิดกลางหมดอ่านรับเตยเทยวปนันอย่างนั้นดี๋ยวยังมีอยู่ เทวดาที่ตน้นพิกุลสอนแม่ชีสวดมนต์เห็นไหมถ้าบ้านไหนสวดมนต์ไหว้พระจัดโต๊ะหมู่บูชาพระสะาเทวดาสวดมนต์ทันีมหาเมตตาใหญ่ยังไม่อยู่ต้องเข้าใจด้วยทำไมเข้าใจอย่าไปสอนเขาเลยพระพาพระเพวิโกรนังพระพาพระเพิโกนังตีสี่เลงยานเนีวย เขาหววันพรุ่งนี้ข้าจะพระเจ้าจะไปโปรดไข่ก่อนยานของไครมาเข้าพระองค์พระองค์แผ่เมตตาตลอดอ๋ อ, อยานของรัชมนตรีวิละมุกสิทพง์มาเข้ายานส่องไปโปรดในวิละจะ ไ, ได้เป็นรัฐมนตรีต่อไปชาวก็ไปเรียกว่าเรียกว่าอะไรปุพันธ์ห บิน ท, บา ท, าปปนท บ, บาทจันจะไปบินทบาทโปรสัตว์ก็เดินไปถึงหน้าบ้านรัฐุมนตินวิรัตนยยกตัวอยาเสด็จมาบ้านข้าพุทธเจ้าทําไมหรือพระเจขา่ายังไม่รู้ว่าเป็นพุทธเจ้ารู้แต่ว่าเจ้าชายเศรษฐาเป็นพระราชบุตรของเจ้าสุทู ธ, ธนะเท่านั้นท่านเสด็จมาทําไมความคุ้นว่าพระพุทธเจ้าเ อ, อพระเจ้าชายเนี่ยไม่อยู่แปดสิบเอร์็นตเนี่ย เพราะว่าพระเจ้าสุโทธทนะเป็นจกกักรพรรดิเคารพในฐานะเป็นพระมหากษัตริย์ไม่เคารพเป็นผู้จ้างยังไม่ทราบว่าเป็นผู้จ้างต้องรับรู้ไปด้วยนะที่เราจะไปสอนเ้าเนี่ยไม่จะนั่งภาวนาแล้วไปสวรรคนิพพานไปบวชชีพราหมณ์ตามวัดนี่เหรอไม่เบียด ก, การรงสาลาและติด ก, กันเทศในรับไม่ใช่ที่ศูนนะที่โสนอย่าทำนะบวชชีพราหมณ์ก็เหรอเอาตามคําสอนผู้จ้าง ไปโปรกสัตว์เราพูดมานานไม่มีใครจำเอาไปพูดขอพิจาราทเถอดท่านวิระอย่าทะเลาะกันอย่าเลี่ยการพนันอย่าตีการในสมุดแต่ทุนเดิมจากวิระมีกับเจ้าชายในฐานะเป็นพระราชบุตรของพระเจ้าสุโทธทนะเพราะเป็นพระเจ้าแผ่นดินไม่รับถื อ, อยังไง มาแล้ว8ปสิบเเลยก็ลองมาทะเลาะดูโอ้สภายอกสภายใจยังไม่รู้ว่าเจ้าชายน่ะเป็นครเนี่บินทบาทตรศัสท์ไม่จะไปขอกินนะอาจาร์เป็นสีไม่จะไปขอที่ศูนย์กินนะอรอใจลำยายเอาแกงมาทุวงนี้ตอนกุ้งนะแกงมาอร่อยๆเย น, นะแม้อตมาฉาแล้วมันชื่นใจ ลูกกินไม่รู้ทำพระดินลูกกินไม่รู้ทำแต่รู้ว่าเขาทำมายากจะช่วยโยมได้มากมายนี่ท่านชัดไหมแต่ไปกินเขาอย่างเดียวเหรอลูกกินไม่รู้ทำกินแล้วก็นอนอย่างนี้เหรอล่ะแล้วก็นอนอย่างนั้นเหรแม้าพระเจ้าในลึกซึ้งมากบุณฑบาตโปรกสัตวแล้วก็เดินต่อไปอาบานั้นตีกันหัวล้านคาังแตกท่านก็ไปยืนถ้าไม่พูดอะไร พอเห็นเจ้าชายมาก็หดแล้หวหดแล้วโอ้โหอายเจ้าชายเลยเกยเจ้าชายนี่ไม่เคยเสด็จมาหน้าบ้านคาผู้เจ้าเลยโอ้โหวันนี้เสด็จมายังไงบ้านคาผู้เจ้าไปทุก้าข้าเสด็จมาปโปรดท่านกระจายมาเยมญรัฐมนตรีมาปโปรดท่านให้อยู่เย็นไปสุขดูเย็นไปสุขประทารใดพระเจ้าข้าท่านทั้งหลายมีอาบายมุกมีอาบายมุก ปากทางความทิบหายท่านจะอยู่เย็นจะสุขได้อย่างไรเพราะคำนี้เชื่อเจ้าชายในฐานะเป็นพระราชบุตรของพระเจ้าสุโธทนะเข้าใจไห ย, ยอมรับอาบายมีอยู่สี่ประการหนึ่งอย่าเป็นนักเกรงผู้หญิงนักเตงทุลานักเตกงเริงกาพนนันนันนกเตงเที่องคื อ, อคบมิกทั่ว อาบายมิวสกระการนักเพลงหญิงนักเพลงสุราใช่ไหมเล่งการพ น, นันหรอเปล่าเป็นนักเพลงคบคนชั่วเป็นมิตรนี่อาบายมีวสกระการใช่ไหมเลิกซนะขอบิธบาทอาบายปแปลว่าปากทา ง, งความชิบหายขอบิธบาท บ้านหมู่นี้เลิกเปลี่ยนการพนันหมเลยดูเย็นเป็นสุขตลอดมาก็ยังไม่รู้ว่านี่คือเป็นผู้ใจยังไม่รู้เพระองเสดบินฑบาตไปอีกมันจะแย่งน้ำกันจะฆ่าลานฟันแทงกันพระองค์ก็ถือบาตรไปพวกเขาจะตตีกันจะฆ่ากัน เราบอกพระองค์เสด็จมาทําไมที่นี่พระเจ้าข่ะทั้งที่เป็นเจ้าฟ้าเจ้าพิจเสด็จมาทําไมแต่ไม่รู้เลยพระองค์เป็นพุทธเจ้าแล้วเป็นศาสดาแล้วไม่ทราบข้าพเจ้าเสด็จมาในวันนี้อ่ต้องการจะมาโปรดท่านใอยู่เย็นเป็นสุขต้องการให้ท่านอยู่เย็นเป็นสุขไม่ต้องการให้ท่านมีทุกขนี่ท่านจะลบลาค้าฟันกันด้วยเหตุผลประกันได้ ถามเลยเข้าใจไหมถ้าพุทธเจ้าจะโปดท่านจะถามพุทธเจ้าแสดงธรรมท่านจะถามถ้าจะไม่แสดงธรรมหรือจะไม่ถามท่านจะไม่พูดด้วยแตาไม่พูดด้วยนะไม่เหมือนถ้าเดี๋ยวนี้ไปนิมนตพราะกราบกราบมาธรรมายอมนิมนต์มาแต่งงานลูกสาวแต่งงานใครล่ะแต่งงานใครล่ะแล้วมันมีอะไรเหรอถ้าเดี๋ยวนี้ปากยาวกว่าปากกาแต่งทําไมแต่งกานใครเจอที่ไหน ต้องเรื่องอะไรของพระท้ารับแล้วพู้เจ้าท่ดจะนี่เลยท่านจะไม่ถามต่อแต่พระก็แสดงว่าพู้เจ้ารับนิมนต์แล้วอย่างนี้เป็นต้นเดี๋ยวนี้ปากยาวอย่างพระก็บปากยาวแต่งค้ารละ่ะรติกนุกษย์าแต่งค้ายไอ้คนนั้นมันมีอะไรเปล่านะ่ยแลคนนี้เป็นอะไรต้องเรื่องอะไรของพระ ต้องเรื่องอะไรของพระพระเดี๋ยวนี้ถามนะาถามมาแตงกษคนจนบางทีพูดทะเลทะเลายไปมาไม่รั บ, บนี่ต์บอกว่าติดงานเพราะงานนี้ต้องขาดทุนถวายกนไม่มากนี่เป็นเลยพระเจ้าจึงถามต่อไปเพื่อจะสอนย้อนถามไปว่าน้ากับชีวิตของท่านอีไหนสำคัญกว่กัน ชีวิตท่านมีความสําคัญหรือน้ํามีความสําคัญกว่าชีวิตพระเจ้าข่าชีวิตนี่สำคัญมากเกิดมายากและเกิดน้ํานี่เลื่ยงเล็ถ้าเช่นนั้นเอาอย่างนี้ไหมชีวิตท่านสําคัญอย่าอย่าลบกันเลยอย่ามาฆ่ากันเฉยเอาน้ําแบ่งในคนเรื้อรงเดยนะแบ่งกันไปถ้าหากว่าน้ํามีความสําคัญมากก็ลบกันไปชีวิตท่านถ้ามีความสําคัญก็ฆ่าเลยท้องนี้เองเนะเขาได้สติ เลิกฆ่าลันฟันแทงแบ่งน้ำกันแล้วพระองค์ก็เสด็จไปเลยไม่ใช่ไปขอกินไม่ใช่ไปขอข้าวรัฐมุนตีเลยก็สายันเหตธรรมเทสนังตอนเย็นเสร็จกิจธุระเนะี่ยก็ไปเฝ้าพุทธเจ้าที่เชตวังมหาวิหารพระองค์แสดงธรรมเลยแสดงธรรมอย่างลึกซึ้งแสดงธรรมตามวาลจิตของคนจำไว้รัฐมนตี รู้ว่าคนมาประเภทนี้เป็นคนระดับน็อกเตอร์หรือระดับชั้นปฐมแสดงทำตามเหตุผลจะโปรดใครก่อนคนไหนดูหน้าดูตาท่านเห็นหนอก่อนเห็นหนอก่อนจะโปรธรึเปล่าโปรดได้ท่านจาะแสดงถ้าโปรดไม่ได้ชั้นจะจนี่งเงินจาไหมท่านก็แสดงทำไปตามวาระจิตของคนที่จะรับได้ แล้วก็คนก็ฟังไปด้วยไม่มีตัวหนังสือสแสดงไปพระจบเอ้วังก็มีฤาษาชนิดคนที่ฟังสาเร็จเป็นพระโสูติดาเป็นแถวบางคนขอบวชในพระศาสนาบางคนเป็นพระรหันไปเลยเดี๋ยวนี้ฟังแท้สักหัวโกรนหัวงอกก็ไม่สาเร็จฟังแท้จนหัวงอกจนผมหล่นหมดแล้วยังไม่ยังไม่สาเร็จก็ฟังอย่างนี้ฟังแล้วไม่ได้ปฏิบตัติคนโบนราณพุทธกาลเนี่ยเขาฟังแล้วปฏิบัติด้วย เขาฟังแล้วปฏิบัติด้วยขันตีแล้วว่าอดทนต่อสู้เหตุการณ์เขาก็ทนเลยนั่งตายให้มันตายทนตายให้มันตายพราเมตตรงนี้จบแล้วเป็นโสดาบันทีจบแล้วเป็นพระรหันสนิจจบแล้วขอแสดงตนเป็นอุบาสกอุบาสิกา้อมบวชในบริษัทนะนท่านทีอย่างนี้สถอะเราถึงได้รู้ว่าอ๋อพระพุทธเจ้าชายเป็นพุทธเจ้าเนี่ย สอนให้เราหลุดพ้นจากความหายนะได้สอนให้เราเป็นคนดีได้สานเหตุธรรมเทศนันตอนเย็นก็แสด็จทำขอฝากท่านทั้งหลายไว้การทําวัดเช้าเย็นเพิ่งมีมาตอนหลังนี่พ่านแล้วไม่ใช่พุทธเจ้ายังทงไปทงเรามาสวดมนสวด น, นี่แหละลึกถึงคุณพระรัตนใจโยโซพระกวาหลังสมาสมุโทโธอย่างนั้น เพิ่งมีตอนหลังที่มีผานเนี่ยพระเถระเถระพระมหากระสนสังคุทาจารย์พระอุบาลีพระนุนราชละหานทั้งหลายก็สังฆยนาทำตัวหนังสือจากความจำของคนโบราณคนสมยัยพุทธกาลใช้จำใช้สัญญาจากกรรมฐานลูกเมธนาสัญญาสังขารบุญญาสัญญาตัวนี้ต้องจำได้เลยจำเดี๋ยวนี้จาก็ได้ไหม จำไม่ได้หรืไปบินท่าบาทกันเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ไปโตดสัตว์นะจนไอ้พวกชาวบ้านเ็าบอกพระใช้มาปรดไว้ปลดเราทีไรเอาของเราไปทุกทีบางทีมาเคาะประตูเลยนะเคาะประตูบ้านเนยพระเดี๋ยวนี้โยมพระมาแล้วเลยลูกหลานก็มาบอกว่าหลองตาคอยร้างกาแฟก่อนคอยร้างกาแฟก่อน รเราะจะข้าจะสุกอย่างนี้เรียกว่าไปขอเขากินทําให้ไม่ใช่โจรศาสตรนะแล้วก็ล้องตาเข้าไปนั่งร้านกาแฟเฮ้ยชาแก่กาแฟถ้วยแล้วกินตาต้องโกด้วยแล้วเอาบาตวางแล้วอ่านซื้อพิมพ์ด้วยอย่างนี้เรียกอะไรเรียกว่าอะไรไปขอเขากินเรียกว่าบินทมาโจรศาตว์กินแล้วมันนั่งภาวนาเรียกว่ากินแล้วนั่งนั่งทําไม นั่งหลับตาเรียวกว่าภาวนาปฏิบัติกินแล้วนอนหลับตาสนิทเรียวกว่าวิมเพนกิกวัดไม่ต้องหัดไม่ต้องเขียนหวังเรียนทางละพูดมากนะาร้คพาเรียวกว่าสุชานไปยัดใช่หรือไม่หลายปีว่ามีดีตีชมัดออกจากทุ่โด่งคิดประสงค์จะสร้างวัดคิดประสงค์จะสร้างวัด บอกเรีบอกหวยหวังรวยทางรัดแต่กลางของแางเสียงดังมันจุปปัตต์พอได้ที่มีสถานก็อยากไปชุดทานเจ้าวัดบอกคนโน้นบอกคนนี้ทําบัญชีเชี่ อ, อัดพอมีเงินมีทองก็อยากไปครองคลหัดเห็นที่กองซื้อขาก็ทําท่าอยากจะฟัดพอซื้อขาลาเพศเลยมันก็ต้องเป็นเปลือข้างวัดเอาอยัางไงเอาอยัางไง ไม่ใช่แหละบินทบาทโตรสัดเป็นอย่างนี้เลยเนาะโปรเอาข้ามหน้ามือไปหลังมือพระเดี๋ยวนี้เห็นด้วยไหมรัฐมนตรีเห็นด้วยไหมที่พูดนี่ยหรือไม่เห็นไม่เห็นไม่เป็นไรเสียใจด้วยพระพุทธเจ้า ส, สอนอย่างดีเนี่ยนะมาพลิกหน้ามือไปหลังมือแหมไปขอขอบเกลียวกว่าบินทบาทโตรสัดลินอะไรเข้าไปล่ะต้มกุ้งเหรียะยำกุง้งยำหอยเหรีย หุ่เจ้าช้อนเนี่ยพิจารณาปฏิสังขายโยนเนี่ยห่มผ้าจงต้องพิจารณาทุกตัวเขียนออกว่าไงยอิมังอังคพันธนางอธิษฐามสังติสังวิธาภูกปรปะต้องว่าไปอิมังอังคพันธรนางต้องว่าหุจายทตกดจศกอยู่ครบในร่างกายกระฉานอาหารก็โพชนเนมการนิตาตากมากา็หนักปฏิสังขายโยนใโซบ บินทบาทตังมาชูเดี๋ยวนี้มีไหมมีไห ม, มไม่มีเลยไม่น่ากูมไม่ต้องเสียกูสักกูบทันเขาเว้ยกูจะต้องกระช่วงมือนี่ไอ้ลิงข้างตาชนีกินก็แล้วแตคุยกันด้วยกินไม่ขี้เมาเนีก้องแกงท้องแกงหมดอะไรก็ไม่รู้ก้องแกงท้องแกงท้องแกงยิ่งกัขี้เมาไม่มีการสัมรวมเลยละวังสัมรวม สังวองละวังไม่ไม่มีสามประการจะเป็นช amanavisai หาห ม, มีไหมขอฝากไว้ชัดเจนมากจาอะราเปลักนี่เราอะไรมาเป็นหลักนะไม่มีเลยนะเนีย่ยมาสล า, ายผู้ตการไม่มีโจทหนังสือทั้งหมดไม่มีการสวดมลต์ทำวัดว่าสวดมนต์ทำวัดเนี่ยนี่แปลด้วยเป็นบาลีเนี่ยหลังจากพุทธเจ้าปฏิพานไปนานแล้ว จึงจะมาแต่งขึ้นมาเอามาโยโซพระควาตอนภายหลังกล่าพระเนี่ยนี่ผูเจ้าอยู่เมื่อสมัยพุทธกาลผู้จ้ายังทรงพิทนอยู่ท่านบินาบาทบ่าชันเฉยๆโคตรพระจะเข้าเฝ้าผู้จ้าสริงๆเข้ามาเฝ้ายิงเรียกว่าบริษัทพุผู้จ้าจะให้โอวัธผู้จ้าจะแสดงธรรมให้โอวัธท้าพิสุบริสัทธตอนเช้าตอนเช้าให้โอวัธ ตอนเย็นแสดงธรรมสายยังเหตธรรมเทศนาเลยพุทธบศาสตรก็ถือเป็นกุจอภเพนีกุจ้าตายไปแล้วก็เหมือนพระพุทธเจ้ายังอยู่คือลูกปฏิมากรรมเราก็มาระลึกถึงพระคุณท่านคือพระคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์คุณบิดดอนมารดาคุณครูปัะชาการย์มาสวดมนต์ไหว้พระเรียกว่าระลึก ถ, ถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์เท่านั้นเดี๋ยวนี้พระเนี่ยี้เกียจชวนมนต์ ที่เกียรติดมนไม่้องโบสอีกกินแล้วก็ น, นอนนอนแล้วกินใช้ได้เหรอใช้ได้ไหมไม่ได้เลยอช้ไายเวลาที่มีประโยชน์ด้วยกถิเมื่อก่อนนี้เขาเ ร, เรียนอันดับเรียนไปทุกขั้นตอนตามทุกคำพูดของพระุทธเจ้าทุกคำพูดของพระพุทธเจ้าอย่างนั้นสองเรียนสันโดด เรียนสันโดษคือเรียนปฏิบัติเลยไม่ต้องไปตามขั้นตอนเพราะอายุมากแล้วเรียนสันโดษแปลว่าเรียนปฏิบัติเลยมาเข้ากรรมฐานเลยอย่างพร้อมกับพัน ธ, ธุระบิปัชนาธุระคู่ไปคามาวาสีอลัญวาสีคู่ไปเรียกว่าเรียนสันโดดอย่างเนี้ยอย่างรัฐมนตรีมา เ, เรียนสันโดดไม่ใช่เรียนอันดับเรียนอันดับก็ต้องมาเรียน นักทำตีทัวร์อีกประโยกหนึ่งขึ้นประโยกอ่ะนี่เรียนตามตามันดับแต่ที่เรามาอยู่เนี่ยกินน้อยนอนน้อยพูดน้อ ย, อ ย, อยทำความเพียรมากไม่พูดกับใครเลยไม่พูดใครเลยเก็บอารมณ์อย่างนี้เรียนสันโดเดนะสันโดดมากน้อยเรียนให้มันได้ขุดขึ้นมาเรียกว่าหนังสือไม่ต้องมีตัวมันจะผุดบอกเราเองเป็นปัจจัตตัง เวที่ตับพอวินญญาณิรู้ได้เฉพาะ ต, ตัวผู้ปฏิบัติเท่านั้นคนไม่ปฏิบัติจะไม่รู้เลยจะไม่รู้เลยนะจะไม่เข้าใจในคํานี้ด้วยเดี๋ยวนี้เลเพราภาพหลายวัดสอนไม่เหมือนกันเลยพุทธโทมากทำโมมาสังโฆอลาหังมากสอนไปพุทโทตรงนี้บักแต่อย่าลืมว่าพุทโทรตรงเนี้ยมันไม่เห็นรูปน้ำขันห้าแต่ที่ทองเนี่ยมันขุดเนี่ย ห้องหน่อยยุกหนอจะเห็นขันห้าทันทีลูกนามไปอารมณ์ที่ชัดเจนอาตมาเนี่ยพุทธโทมาสิบ ป, ปีมันไม่เห็นลูกนามเลยแล้วเวชนาลูกไหมเนี่ยแล้วเดินจงกรมเอาพุทธเหยียบโทพุทเหยียบโทเอาพุทธเจ้าเวชิตาเลยนี่หลวงพ่อในป่าขนแกนหลวงพ่อดำบอกยานะเป็นบาปอย่างไรอย่าเราไปได้มันจข้นแกนเนี่ยจึงจึงเอาข้นแกนคืนไปอย่าพุทโทรเวชิ้า เป็นตนามพระพุทธเจ้าพุทโธพุทธะมรดละภาวนามันต้องอยู่ที่จิตพุทโธคือสว่างแล้วสงบนี้ยแจ้งแล้วพุทธะมันจะหญิงชายผู้หญิงก็เป็นได้ผู้ชายก็เป็นได้ยังนี้เรียกว่พุทโธไม่ใช่ว่าที่เท้ามัไม่ใช่สมัยพุทธกาลเนี่ยช้าต้องข่าเฝ้าพระพุทธเจ้าชาาแล้วต้องข่าเฝ้าเข้าเฝ้ามารับฝังอุว่า มาวานได้อะไรท่านจะถามนี่เลยมาวานทําอะไรบ้างเนี่ยนเมาวานทําอะไรบ้างแล้ววันนี้จะทําอะไรอานจะถามนี่ก่อนเลยมาวานทำอะไรเปล่าท่านพิคุบริชษัทเปล่าพระเจ้าค่ะแต่อยู่ว่างเปล่าไม่ยาอะไรเลยเหรอด ว, ว่างไปเปล่ามาเหมือนนาวาแล่นไปไม่มีสินค้าเหรอดไม่มีสินค้าเหรอกินกันนอนเหรอนี่อาจจะพูดนี่เลย อาสาพวกนี้บ้างมาวานทําอะไรจึงได้คานี้ออกมาในทศจันทร์จุดต้องเตรียมพร้อมสัำพละในวันนี้เพื่อทํางานในวันพรุ่งเตรียมพร้อมเมื่อวานทําอะไรทําอย่างไรอยางเตรียมอะไรในวันนี้มาเคืนเตรียมหรือเปล่าเนี่ยว่าวันนี้จะทำอะไรเตรียมในพระจเจุค่ะเตรียมเครื่อนสำพระที่จะต้องทําในวันนี้พระเจุค่ะไม่นี่ท่านจะอาสาทุกทันที ผู้ จ, ะจะัดาษาทุกสอนง่ายๆสอนสั้นๆไม่ยาวเหมือนอย่างคนเดียววิทยากรนี้พูดยาวเป็นวาเป็นเช่นเลยพูดเป็นเส้นเลยเหรอที่ศูนย์เนี่ยพูดเป็นเส้นเลยเหรอใช่พูดอยู่นั่นแหละไม่รู้จะพูดเป็นไหนแต่นี่ไม่ได้ว่าเนะเราสู่กันฟังท่านจะพูดชาติเนื้อหาสาระมีมีแก่นสารทาอะไรมีเนื้อหาสาระ ท่านจะถามว่าเมื่อวานทําอะไรแล้ววันนี้เมื่อคืนเตรียมอะไรเปล่าพวกพระจะตอบว่าเตรียมพระเจกาสามพันละที่เตรียมที่ทําวันนี้เตรียมเมื่อวานแล้วพระเจกะรพร้อมมอคืนเนี้วพร้อมมาคืนแล้วล ว, วันนี้ทํางานได้เลยท่านจะสาทุกทันทีท่านจะสาธุธสาธุอนุโมทาม าถามพวกนี้บอกข้นแกนเตรียมอะไรเปล่ามาคืนไม่ได้เตรียมเลยง่วงนอนจังเลยง่วงนอนมัวไปช้อปปิ้งกันแล้วก็มัวไปเที่ยวแล้วกลับมามันดึกมันดึกเตรียมอะไรท่านบอกนายเสียใจดเสียดายเวลาของเธอนะที่หมดไปแล้วเรียกคืนไม่ได้แล้ววันนี้เธอก็ยังไม่ตั้งเต็มว่าจะทำอะไรน่าจะคิดตีความอันนี้ก่อนเข้าใจไหม นี่ทีนี่ข้างพุติการทั้งมันจะส่องก็เป็นเส้นเนเนอาว่าฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลหนูทั้งหลายนักเรียนทั้งหลายออยอแล้วเด็ก ม, มันก็หลับง่วงน อ, งนองแล้วยังจะพูดอยู่กับพิธีกรวิทยกรอร่อยอร่อยเด็กไม่ฟังมันจะฟังได้ยังไงฮะมันไม่รู้เรื่องต้องควบคุมทันที ต้องควบคุมทันทีนะนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้โรงเรียนพนักพิทยาคารมาอาจารย์มาทีแปะบอกควบคุมเด็กควบดูเด็กไว้ให้ได้เลยอย่าเสียงเด็กไม่ได้พูดไม่ได้เย็กเสียงดังต้องคุมไม่คุมเด็กไม่ได้แล้วเด็กมันชนจิตแล้วเนี่ยก็ต้องหาคนควบคุมตัวเองต้องมีควบคุมจิตนี่มันลิงเล่โทษชนาการโหลดไปทางโน้นโดดไปทางนี้โดดไปทางนี้ ตอนแล้วไม่ควบคุมไว้ไม่ผูกจิตเครื่องเราไว้ไม่เกลาลงไว้ไม่มีทางไม่มีทางไม่มีทางเลยแนละ้วขอฝากไว้เป็นข้อคิดในวันนี้ไม่ใช่ว่าเอ้ฉันไปอบรมมาฉันเป็นวิทยากรไม่ใช่อย่างนั้นนะ่ะทําได้หรือเปล่าวิทยากรยืนหนอห้าครั้งได้ไหมเห็นหนอเนี่ยนิสายดีไหมเนี่ยก่กํบบาลังมีชู้ให้มันเห็นอย่างนี้เห็นด้วยปัญญาเงินแล้วมนตรดกฟังด้วยปัญญา คิดโดยปัญญาพูดโดยปัญญาอย่าพูดทิ่มขึ้นขึ้นดอกนึกจะพูดอะไรไม่มีหูรูดเลยเหรอไม่จะพูดก็พูดก็ไปอย่างนี้แหละไราละหน้าเสียดายเหตุผมเสียดายเวลาที่มันหมดไปแล้วเราเรียกคืนไม่ได้เลยนะหน้าเสียดายเวลามากก็ขอฝากให้คุณคิดถ้าคนมีคุณสมบัติมีธรรมะจะขยนันดูตรงนี้จะขยนัน เ, เลยจะไม่ขี้เกียจเลยและจะไม่ เสียเวลานชีวิตขอเงเขาแต่ชาติจะเป็นประโยชน์ในส่วนตัวและส่วนรวมส่วนร่วมกันเป็ น, นสัมพันธ์ในสังคมเศรษฐกิจก็จะดีขึ้นในชีวิตของเขาสมัยพุทธการเนี่ยต่างกันเยอะหลวงพ่อเจ้าเพิ่งรับสามว่าเตรียมพรอม้อมอยากจะถามท่านทุกคนทำไมเรียกวันโกนมุพระ ทำไมต้องเรียกวันโกนวงนพระเะเปลียนมาไงเปลีย น, น, นจะไปเที่ยวฮ่องกไงไม่ใช่เปลียนจะไปเที่ยววันโกนเลยแปลความว่าโกนหัวพระ พอบอกวันโกนปั๊บวันนี้วันพระโกหัวแล้วบางคนพวกกรุงเทพ้อยลับแปดสิไม่รู้จักวันโกนพระโทรมาถามบอกว่าวันโกนวันอะไรฮะวันที่ถลายเป็นวันโกนวันพระวันที่ทลายจำได้เฉพาะวันเสาร์ที่ที่หยุดงานจำได้ที่แน่นอนที่จุดที่มากที่จุดที่ชอบคือวันไม่เดือนออก แล้ววันเก็บดอกเบีย้ยจำแม่นทุกทุกวันเก็บดอกเบีย้ยวันเสียไม่มีผู้ถออวสตะวันได้เลยเลยเป็นคนมากง่ายมากได้ตลอดไปไม่มีการที่ว่าเสียเพื่อได้น่าจะคิดนี้พระเจ้าบอกเสียเพื่อได้ได้บุญเลโกุุนมันต้องเสียก่อนถ้ามายอมเสีย เอาแต่ได้อย่างเดียวลาบรองท่านจะไม่ได้เลยเลยจังไม่ได้ดผลเลยเลยนะจะบอกให้นะไม่ได้นะาาเนี่ยสมัยพุทธกาลเนี่ยท่านจะถามถ้าท่านจะสอนแล้วท่านจะถามทำาะไรสอนท่านนิ่งเลยนะแต่ทั้งที่รู้ว่ารัทมนติวิละไม่พิดไม่พิษต้องถามซักร้ายเหตุข่าวให้คนอยู่เขารู้แต่ทั้งที่ปัจจตัตังวยตาโพเปนยูหิววารู้ว่า รัฐมนิวลาไม่เฉพยุติธรไม่เฉพยุต ค, ค่าบริสุทธิ์ทำไมต้องถามถามเพื่อคลี่คลายให้คนอื่นเข้าใจแต่ข้าพเจ้าคือผู้จานั้นก็เข้าใจแล้วปาจจจังแล้วแต่ต้องการให้รัฐมนิวลาบริสุทธิ์จึงต้องถาม สมัยพุทธกาลเนี่ยมีภาพพิสุเสดเป็นพระทหารตั้งแต่เป็นเมญเจิดขวบเจิดขวบเด เ, เป็นพระหารเนี่ยเป็นพระทหารเลยนี่จะไม่ออกชื่อแล้วเลยจาไม่ได้เลยมาเป็นภาพพิสุโคนหาเลี่ยงท่านหาว่าขาดจะพระพพิสุเพราะอย่างนั้นอย่างนั้นง่ายกว่าไหม เรื่องผู้หญิงงเรื่องเรื่องอะไรก็ว่าไปผู้เจ้าก็ทราบว่าองค์นี้เป็นพลหารเนี่ยจะเพอย่างนี้ไม่ได้เขาฟ้องเขาฟ้องมาผู้เจ้าก็เรียกประชุมสงฆ์ต่อหน้าสงฆ์ต่อหน้าทั้งหมดเธอได้ทำไหมตามที่อกล่าวหามไหม ไม่ตอบตอบมาคําเดียงพระองค์ก็ชาบแล้วพระเจ้าค่ะพระองค์ก็ชาบแล้วพระเจ้าค่ะแม้เป็นข้อหน้าคิดจยางหนึ่งพระองค์ราบแล้วพระเจ้าค่ะ้าถ า, ถามอีกเธอได้ทําตามนี้ไหมที่ข้อกล่าวหานี่ทําจริงไ้ยพระองค์ก็ชาบแล้วพระเจ้าค่ะ ถามอีกท่างพระองคชาได้เลยค่ะเลยท่านตัดบทเลยเนี่ที่เวรูนับสงพ์พิสุเลยเอา อ, อย่างนี้ท่านทําก็ว่าเดี๋ยวทำไม่ทําก็ไม่ทําทอย่ามาตอบอย่างนี้ไม่ได้เราก็รู้อยู่ว่าเจ้าเนี่ยเป็นพระาหาระันนจะเป็นเมรุแล้วต่างใจเจดควบแล้วแต่เวลาสอบสวนต่อหน้าสงทําก็ว่า ท, ทําไม่ทําก็ไม่ทํา เท่านี้เองนะเขาใจยังนะ่งไม่เด็ดทำพระเจ้าขาเอออย่างนั้นเิดเดี๋ยวท่านเสด็จเข้าคนันนกขดีเถิดถูกต้องเลยได้ยินกันทั่วแหละเพราะพระอย่างเนี้ยไม่โกหกอล้วพรเดี๋ยวนี้เชื่อไม่ได้แล้วตาทีนี้เชื่อไม่ได้หลอกล้วงเก่โกหกเก่งที่สุดเป็นอะไรเหอปากโกหกหน้าใจโกหกไม่ได้ เราไปได้มันจะมึงจีนมาผสมกับไอเห็นหนอกับหลวงพ่อในป่าจับรัฐมนตรีวิละมีพญาอย่างโสดโอกแหะก็ในใจของรัฐมนตรีวิละอยู่ที่นี่แล้วผมไม่ยังโสดยังไม่มีเนียอยู่การูนขายเพชรเอาละอาเซีย ปากเนี่ยก็หกขึ้นห้วยหองเขาได้รอ้อแต่จิตของคุณกหกไม่ได้คุณมีเนียสามคนมีลูกห้าคุณเป็นคนบอกเองนะเนี่ยไอเห็นหนอนราคาหลายลาย้ออลานยลานรับติกรไปทันให้ได้นะถึงจะไปสอนดีต้องทำให้ได้จะได้รู้อะไรเป็นอะไรเปรี้ยวหวานมันเคม็มจะได้รู้จะได้เข้าใจปจัจจดตังเวสตาโพมิญุทีไม่ใช่ไปอ่าหนังสือแล้วไปสอนเนยน่มันไม่ขังหรอก ทำให้มันได้ไงทำให้เสมอต้นเสม อ, อปลายหน่อยดิเรามัน้อไปจับนี่เขาหรอกเราได้มาจากครูเถาที่ศึกษาเติงเชีเขาสอนเราเราก็ได้ความมาเห็นหนอนเห็นหนอนเนี่ยชัดเจนเห็นไปท่งไฟฟ้าไปเนี่ยส่งไปที่กระจกมันจะย้อนไปหาเราไหมย้อนมาแน่นอน แล้วก็แล้วทวลนติวะไปเจ้าชู่กับใคไปมีชู่กับใคบอกมาเลยไม่ย่าเนี่ยชัดปากมันก็กหกได้ปากเนี่ยขึ้นหัวลงเขาได้แต่จิตของคุณโกหกไม่ได้ตองบอกมากองกลงเล ย, ยนี่าาคือกรรมฐานพุจ้ายอดั้ยแต่พวกเราน่าจะทำให้มันถึงขั้ น, นง่าย รู้วาระจิตของคนไม่ใช่ต้องไปสวรรค์นิพพานชัดเจนมากอย่างอุณโล ม, มาปยัชายาเตยยาผักเนี่ยเป็นการส่งกระแสจิต ด, ดีๆไม่ใช่หลับตาท่งเดชไปนะแล้วก็ะดาอะไรขึ้นมันได้อะไรเดี๋ยวจะย้อนกลับมาหาเราเห็นหนอมันจะบอกเลยสิษาลงตายเท้ตาตายเท้าสิสาห้าครั้งเนยได้ผลแน่ด้จากที่ขนแกนี้เอง เดชาโลมานะคะท่านตาตาโตตาโตท่านตานะคะลลมาเดชารมมัตมนตรีเคยบวชแล้วอุบชาฉันจะให้มีก่อนฉังจะให้ผ้าหม่มถ้าเลี้ยนนี้ไม่ได้เาสาวผ้าไม่หม่มมนุษย์โฉที่ไม่เป็นมนุษย์บวชให้ไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้ก็บวชกันไปตามจะเพนีเนี่ยเป็นมนุษย์หรือเป็นเดชรชะลี้จะเป็นเปรตก็บวชกันไปถ้าบูญวายมากแล้วก็มันเป็นเปรตหรือเป็นเดชะฉาน ขวางคนโน้นขวางคนนี้ตลอดไปดูบอกมีได้ชัดเจนเรื่องไม่ยากเลยแต่ทำไมทำให้ยากมาสมัยพุทธกาลนานมาแล้วนั้นเนี่ยในเรื่องนี้ชัดมากพุทธเจ้าถามทำก็ว่าได้ทำไม่ทำแล้วเพราว่าไม่ยะทำทิอยา่าพูสํำนวนพุทธเจ้าก็รู้ว่ารัฐมนตรีเนี่ยไม่ได้ทำ แต่จะถามเนี่ยต้องการให้ที่ประชุมทราบเข้าใจไหมเรารู้กันไปนส่วนตัวอย่างนี้ไม่มีใครเขาเชื่อหร อ, อรอกเอข้าใจไหมเจ้าเตยเข้าใจไหมในคุณเนี่ยเข้าใจไหมต้องให้ที่ประชุมสาทุถูกต้องแล้วทําก็ว่าจะทําไม่ทําแล้วก็ว่าไม่จะ ท, ทําทํำไมตอบสานวนอย่างนี้พอบอกไม่จะทําให้เจ้าขาครับพุทธเจ้าเสด็จเลยเสด็จเข้าคันนะก็ดีท่าน เท่านี้เองก็หมดเรี่ยทำไมบอกว่าพระองค์ก็รู้ภิจค่ะพระองค์ก็รู้ภิจากขะรู้ได้ยังไงเล่าได้ผมกนี่มันรู้ไหมเล่าเนี่ยพวกนี่มันรู้ เ, เรื่รองาวเข้าใจไหมต้องตอบด้วยตนเองสิเขาจะ เ, เข้าใจนะตรงนี้น่าคิดอีกหลายกระทุกแต่ทําไมทําไม่ ไ, มได้ละ่ะเนี่ยน่าคิดสมัยพุทธกาลเป็นอย่างตูวนังสือมีที่ไหน ไม่มีตัวหนังสือเลยสอนธรรมะโดยการเทศบอกเล่าและทำเลยทการบอกว่านโมตัสสะท่านก็ไม่ได้วาไม่ได้ว่านโมนโมเนี่เป็นของยักไม่ใช่ของผู้จ้าสอนนโมตัสสะพระครูโตหะโตสัมมา ข, ของสาตากิยายะไม่ใช่ของพระพุทธเจ้า ยักษ์มันจะมากระทึบต่อพระพุทธเจา้าพระพุทธเจา้านางตัวเล็กเรียมันทันตัวใหญ่ไปเลยมันจะเทหัวจะบ้วนน้ำลายลดพระพุทธเจา้าพุทธจเจ้าเฉยพุทเจา้าไม่โตตอบอดทนอย่างเดียวแล้วสอนให้ยักษ์มีความดีไม่สอนให้ยักษ์ไปสร้างความชั่วจนยักษ์ต้องยอมพระพุทธเจา้าพอยอมแล้วก็ย่อตัวต่ําลงมากราบพระพุทธเจา้า เรียกว่านนโมตัดสระทักะอ่อนน้อมทำจนปากหวานตัวอ่อนมือไป็นงอนทันทีกราพู้พิจ้ายอมนี่นโมสาตาธิล า, ายละเลยเราก็ใช้นโมมาจนหลังผู้เจ้าใช้นิพานแล้วแต่ทำอะไรต้องนโมก่อนอ่อนน้อมก่อนบูชาครูก่อนเป็นของยักษถามว่าถ้าพูดว่านนโ ม, มนี่พู้เจ้าสอนเหรอนีล่ลาวเลย ผู้าาเจ้าไม่ได้สอนแต่ยัดมันมาอ่อนน้อมต่อผู้เจ้าเช่นผู้ลินทะลาหูเป็นต้นผู้เจ้านอนปลดมันเลยอชุลินทะาหูนี่มันใหญ่โตมากผู้เจ้าองนิดเดียวเลยแสดงปิญหานนอนซะยาวเลยอย่างเช่นวัดทนานจักสือยาวต้องต้องเป็นเส่นเลยยัดนั่งตัวนิดเดียวเลยแลนอนนอนให้นอนแท้ปลดชูลินทะลาหู สุรินรธนาหูเําเร็จไปตามขั้นตอนในสุดก็เป็นพลลักมนุดย์อยากสาตาิญายากเนี่ยอ่อนน้อมตะกอนนี้ทุติมาและเขวี้ยงไม่พูพิจาบเลยก็อ่อนน้อมพึนอ่อนน้อมขึงขอฝ่าท่านรัฐมนตรีเพื่อไปนครทีธรรมราช บอกนคะรที่ทำราเยเด็กพวกตายเนี่ยพวกใจดาพวกพั า, ตาใต้ใจดำเอามาหเหยีเที่ยหมดทดมะททลุดูไรคาสาตัวไปให้ตายนครที่ทมรัฐนครธรรมรัฐหาปลาแลต่ไม่ได้วารต์มดเที่ยวหาปลาพวกพักใต้ใจดามากเที่ยมโหดูไรถ้าอะหันสองลูกมาจากศรีลังกา เข้าสู่นครที่ธรรมลักษ์ข้างวัดสองวัดคาหมาวาสีหนึ่งวัดอารันยาวาสีหนึ่งวัดคามาวาสีคืออะไรที่มีบรมธาตุเขาเรียกว่าอะไรนะัน่งคาหมาวาสีให้พวกนครที่ธรรมราชเรียนวิชาการในวันนี้แล้วไปช่างวัดป่าเรียกว่าอารันยาวาสีอีกหนึ่งวัดทำเองเ คนนครที่ทําลด้ก็มาเรียนกันเรียนเสร็จแล้วก็ส่งไปส่งไปวัดอารันยวาสาาีอยู่ใกล้กันอยม่ในป่าท่นอาจจะนึกคือออกวัดอารันยิกอยูหลังนครโนกัหน่อยเรียกว่าวัดวิปัสนาพอนั่งวิปัสนาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยอารันยวาสีกับคามอ า, าสี เรียกว่าคันถาธุระวิปัสนาธุระจบในการคนนครก็เปลี่ยนจิตใจเปลี่ยนแนวลวกกลายเป็นคนมีปัญญาชาเครื่องถมได้ทองมามากหลายประเทศเก่งึงออกไปเป็นจําราจากนครที่ธรรมรักษเพราะวิปัสนาเลยพวกนครที่ธรรมราชจึงมีสัญลักษณ์ของเขามาจนหลังเรียกว่าแหวนนะำมู หวหน้าโมเวลาไปเอามาฝากหน่อยนะนีไ่ได้ไว้ยี่สิบตัวหัวแล้วหน้าโมนี่ปืนยิงไม่ออกสาวแท่แต่ไม่ไม่รักแต่รัตมนตรีอยากให้สาวแท่แต่ไม่ไม่รักมีแหวนหน้าโมเอามาฝากเลยนะเลยนครที่ทำรักกลายจากใจดำกลายเป็นคุณใจดีกลายทุกคนมีปัญญา ทำเครื่องถมได้ทองประเทศจีนก็มาซื้อไปเอาไปทำขายจนบันเครื่องถมได้ทองนี่เพราคนมีปัญญาเพราะการเจริญพระวิปัสนาแล้วอ่อนน้อมถ่อตนปากหวานตัวอ่อนมือเปหนงอยสัญลักษณ์ของนครคนนครมานี่ถามตอบไม่ได้่เลยตอบไม่ให้่เลยแย่มากแล้วเลยนครไปหนหนอที่ทำของพระเจ้าปากสิ ขอขอฝาพวกของแกไปหน่อยคนที่ให้กรรมฐ า, านเราก็คือองค์ดําให้กรรมฐ า, านพระเจ้าตาสิงห์ที่จังหวัดนนบุรีพระเจ้าตาสิงเดินทัพมาจากเชีงยงใหม่แต่มาปาดเกิขวางเลยให้กรรมฐ า, านอันนี้จะไม่ขอเล่าแล้วก็ให้กรรมฐ า, านพระโมเหียมที่มาที่วัดนี้ที่มาแก้กรรมที่วัดนี้พระโมโหียยมอี่าองค์เดียวกันเนี่ยจากที่ขนแกนี้ เราจึงไม่ลืมเจ้าพุนตรงนั้นเลยเนะีะเราขอฝากดกรลํยายัยว่าดรลํยาัยก็เป็นญาติกับหลงพ่อดําเนีลยดํำในป่าหลวงพ่อดํำในป่าเคยไปบ้านดรลํยาไยมาทางกระแสจิดตดรลำยัยนี่จึงมีพระธาตมีอะไรต่ออะไรามาแปลกๆนี่บ้านดรลํยาัยทั้งสิกไม่งั้นดรลำยัยจะไม่ให้ที่แล้วลยีว่สิบไร่หลวงพ่อในป่าท่าน เท่าสิงให้ถวายที่เราโองนี้หลวงพ่อดําเนี่ ย, ยที่ให้ก็มาถามพระเจ้าตักสิงพระเจ้าตักสิงไปสําเร็จเป็นพระทหารที่ถ้ำนครที่ธรรมละที่เราไปเข้ามาแล้วท่านอยู่ทางใต้ท่านให้สานึกด้วยท่านเขียนว่าในถ้าแสดจะมาโจดมาเลยโจดมาคือหลวงพ่อดำท่านบอกไอ้จะมาไปจดมาลายมือของพระเจ้าตักสิง อาจตากเสียงจึงไม่ใช่ลูกจีนไฮฮองแต่ลูกเชื่อพระมกษัตริย์แต่แม่ชี่นางนุ่นเอียนเนี่ยเพราะเป็นคนจีนและอยากจนจีนใไฮฮองเนี่ยเป็นนายอากรบ่อนดี๋อเศรษฐีในอุตสาหะเขียนไม้หมดเขียนให้หมดเลยเขอขอฝากท่านไปคิดแต่อย่าไปพูดอยู่อื่นไม่ได้เขาห้ามพูดมันเป็นชาโลภล้างประวัติศาสตร์เนี่ยาลงพอดำไม่ป่ายลายฟังทั้งหมด แ, แล้วเราก็ไปจดมาด้วยในท่ำนี้แล้วท่ามีสมดสเด็จสังราชเสด็จแล้วด้วยรัตมาจึงได้เงินหนึ่งแสนบาทล่วงกับอธิบดีสลินเท ว, วรินสริดที่ท่านรัฐมนตรีอนุเคราะห์ให้ท่านแต่เชื่อดีกรมที่ดินชิงสองสมัยตอนที่ท่านเป็นรัฐมนตรีช่วยวา ก, การชวมาธาโปรดจำไว้ด้วยอย่าลืม <c oughs> คนที่มีสติปัญญาจะจำเลยแม่นจำแม่นทาถ้าลืมไปเนะี่ยมันนั่งสมาธิเดี๋ยวมันจะโผล่ทันทีคิดหนอนจะโผล่ออกมาเองนี่หนังสือมันมีตัวที่ไหนนะ่ะด็อกเตอร์ไม่มีมันจะโผล่มาบอกให้เราทราบทนายพูดมาไปหรือว่าจิตเฟอ้อฟุ้งเฟอ้อมันจะไม่โผล่เลยมันจะนิ่งจะไม่บอกให้เราลู่นะเลวกลายเป็นคนหละหลวมหล่อแหล่เล้วไหลไปเนลย จำไว้สำคัญนะมันจะของเลียวหลายเมื่อสมัยโบราณ น, นานมาแล้วนั้นเราพทธเจ้าการสอนมาเราคำนวณย้อนยุกไปสมัยสองพันกว่าปีคนโบราณมีปัญญาสูงคนด้ื่ไม่มีปัญญามีแต่เรียนคอมพิวเตอร์เรียนวิชาสูง แต่ปัญญาที่ลึกซึ้งคือยานางคือญาตไม่ญาณางแปลว่าความลึกซึ้งรู้ในปัญญาที่แก้ไขปัญหาเท่านั้นแต่ปัญญาของคนรุ่นใหม่เนี่ยปัญญาเรียนวิชาการไปรบเติร์ดเรียนวิศวกรไฟฟา้าเท่านั้นหรืแต่ญาณางไม่เกิดขอฝากท่านุตรีญาณางตัวนี้แปลว่าความรู้ลึกซึ้งและแก้ไขปัญหาได้ ความรู้ที่ละเอียดอ่อนละออมากมองไม่เห็นปัญญา้นแต่ว่าหลอบรู้รอบรู้ชอบระวังตั้งใจกรงทรงนิ้งทำน้ำทางถูกตูกส่สติดำเนิจชอบแล้วก็อปุโชนได้ผลงานเป็นหลักฐานสำคัดไม่ใช่ตัวปัญญาสําหรับโครุ่นใหม่ปัญญาโครุ่นใหม่เนี่ยเรียนรู้วิชาการแต่แก้ไขปัญหาไม่ได้เรียนต้องเจ็ดเล่มเกวียนแต่เสียมายาดิง เสียเสียเสียทีผู้หญิงอย่าไปเสียทีผู้หญิง